วันวันนี้บวชบวชพระนะสามสามนาคเนี่ยเราก็ออกมาช่วยกั น, นครัวก็ดูเตรียมอะไรให้พร้อมนะนี่มรดจคอนะจังหวัดมามาจากในเมืองทั้งสามองค์เลยท่านแพ้ผงชูรสนะท่านแพ้จนท่านจะท่านจะไม่เอาเลยนะอาหาร ต้องมีรับประกันด้วยนะเนี่ยรับประกันว่าไม่มีพวงชูรสอะแครวก่อนเห็นเขารับประกันมาเขาว่าไม่มีพวงชูรสแพ้บางคนแพ้แพ้จริงๆเลยเพิ่นแพ้ยีหลีเลยแพ้เป็นแพ้ตายเลยเ ด, ด้่วันบวชพระวันพรุ่งนี้ที่จริงเราก็ว่าจะบวชวันมาฆะ วันีแล้วก็ไม่อยู่ก็เลยเอาก่อนช่ะวันที่หกวันพรุ่งนี้วันที่หกเป็นวันโกนวันเพ็นเดือนสี่แต่ก็เลื่อนมาทำมาฆบูช า, าปีนี้เป็นแปดสองหนเราเลื่อนมาทำบูทาวันมาฆบูชาในกลางเดือนสี่ แปดสองนต้องเลื่อนมาเลื่อนมาตามแปดสองหนมาคข บ, บูชาก็คือบูชาเพื่อระลึกถึงบุญคุณพระสงฆ์สาวกพระอริยอริยสาวก250องค์รวมทั้งพระกุทธเจ้าด้วย1250องค์ ไปประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่เวลุวันมหาวิหารเมืองรัชครุษไปประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ที่ได้บวชจากพระศาสดาทั้งนั้นเลยล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด เธอจงเป็นพิสุมาเถิดนยทำมันเรากล่าวดีแล้วหรือบางองค์ก็เธอจงเป็นพิสุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้ ว, งงงล ว, ลวจงทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดนี่ยไปรับการบวชจากพระพุทธเจ้าทั้งหมดเดินทางมาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันมหาวิหารโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายกันนะ ที่สูงทั้ง 1,250 รูปเนี่ย50องค์เนี่ยวันเพ็ญเดือน3เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเขาก็จัดนะเขาให้ความสำคัญนะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นวันวิสาขโลกมาฆะโลกนะเดี๋ยวนี้ก็จัดหมดทั่วโลกเขาจะจัดในวันเดียวกันพร้อมกัน วันวันวันที่หกวันที่เจ็ดนะไม่ใช่วันที่หกนะวันมาคบูชานี่เป็นวันที่เจ็ดตรงกับวันที่เจ็ดเดือนมีนาคมปีนี้ก็สองพันห้ารอยห้าสิบห้าพวกเราก็บวชพระวันพรุ่งนี้วันที่หกเป็นวันโกนการบวชนี่เป็นการถือเว้นนะ เป็นช่องทางช่องทางเดียวที่ทําให้เราในเล็ดรอดออกจากกรงข้างของกิเลสเนีมันเป็นการเป็นการหาช่องทางเพ Т ื่อที่จะเล็ดลอดออกจากทางของมันทางของกิ okay. เลสการเว้นทั่วคําว่าเว้นทั่วเว้นทั่วบวชแปลว่าเว้นทั่ววัชชวัชชะแปลว่าเว้นเว้นสิ่งที่เป็นโทษ เว้นทั่วปะทั่วปะวิชะแปลว่าเว้นทั่วมีการบวชบวชพระบวชเนรนะพวกเรานี่เราก็เรียกบวชชีบวชชีพรามนี่เราอยากบอกบวชบวชนี่ก็พอบวชออกมาแล้วก็มีข้อปฏิบัติโดยเฉพาะเราบวชพระพอบวชเข้ามาแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติแท้จริงการบวชนั้น่ะ พอพิธีเราเสร็จปั๊บอ่าพอพิธีเราเสร็จจากการบวชปั๊บเนี่ยเราถึงเพศเราได้เพศเราได้เพศอีกเพศใหม่นะเพศนักบวชเขาเรียกว่าเป็นเพศนักบวชถึงเพศเป็นบรรณชิตอันเกิดขึ้นสืบเนื่องต่อเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าทัานตรัสรู้ธรรม แล้วก็นําธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้มาสอนคนอื่นสอนคนอื่นผู้ที่ได้บรรลุตามหรือผู้ที่เกิดความเลื่อมใสศรัทธาตามก็เลยบวชตามบวชตามปฐมการบวชแท้ก็คือปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็ มีพระัญญาโกทัญญาเป็นผู้บวชพระวัปปะพระพัทธิยะพระมหานะมะพระอัศชิพอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บวชบวชบวชบวชบวชบวชเป็นถือเพศบวชถือเพศเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุถือเพศเหมือนพระพุทธเจ้าเริ่มแรกการบวชนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้บวชเองเรียกว่า เอหิพิขุเอหิพิขุเอหิแปลว่าจงมาเธอจงมาเป็นภิกษุเถธอทำอันเรากล่าวดีแล้วถ้าผู้เป็นพระอาหารหันต์ก็กล่าวแค่นี้เป็นพระอาหารหันต์จิตเป็นพระอาหารหันต์ก่อนบวชเพราเวลาถือบวชท่านจะกล่าวแค่จงเป็นภิกษุมาเถธอทำอันเรากล่าวดีแล้ว แต่ถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมทั้งหมดเป็นแค่พระโสดาบันบ้างพระสกิทาคาพระอนาคาบ้าง เ, าเวลาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ให้ถือบวชเอหิภิกขุเมาเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดนคือทิศมันยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกต้องให้ทำที่ถึงถึงที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิด นี่เริ่มแรกพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสตรัสให้บวชเองแบบนี้เรียกว่าเอหิภิกขุเอหิภิกษุพระสงฆ์ทั้งหนึ่งันสองร้อยห้าองล้วนเป็นเอหิภิกษุทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเองสอนให้บวชเองเป็นพระภิกษุเองนั่นมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วพอฝนมาแล้วก็เสียงรบกวน ทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายนั้นนะ่ะไปหลังจากพุทธเจ้าท่านสง่งส่งไปประกาศพระศาสนาหกสรูป嘛นะส่งไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกเนี่ยพอไปประกาศพระศาสนา60องค์เนี่ยพระองค์ส่งให้ไปประกาศพระศาสนาไม่ให้ไม่มให้ไปซ้ํากันสององนะองคหนึ่งไปที่หนึ่งองหนึ่งไปที่หนึ่งองหนึ่งไปที่หนึ่ ง, ง, ง, งก็จายหมด เหมือนพึ่งเลยกระจายไม่ให้ไปเป็นสองะไม่ให้ไปเป็นสองเลยให้ไปเป็นหนึ่งเป็นหนึ่ ง, เ ป, นนงเป็นหนึ่งไปเลยเพื่อเอาหลักธรรมคําสอนหรือาศาสนธรรมซึ่งเปรตส ม, ม น, น้ําเยน็นสหรับไปดับไฟในหัวใจของเขาเนี่ย mm hmm. พวกเขาจะได้เข้าถึงความสุขใ น, ในหัวใจโดยทำได้รับความสุขได้รับความชุม่มเย็นโดยเร็ว ให้ไปไม่ซ้ำกันเป็นสององค์ให้ไปองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวหกสิบรูปหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสแล้วทรนะงตรัสที่พาราณสีทรงสรงพิสุทั้งหลายหกสิบเอ็ดหกสิบรูปหกสิบเอ็ดทั้งพระพุทธเจ้าหกสิบรูปทรงไปประกาศพระศาสนานะที่เมืองปราจครึ อที่เมืองพราราณสีจากนั้นแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็แตกแยกกันไปแต่ละแหง่งแต่ละแห่งไม่ซ้ํากันเป็นสององค์แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไปองค์เดียวท่านี้พระองค์ก็ไปองค์เดียวเหมือนกันแม้เราเราก็าจะไปเหมือนกันเราจะไปที่เมืองราชครึกไปโปรดพวกชนินชนินสามพี่น้องพระองค์ก็ไปองค์เดียวเหมือนกัน ทั้งทั้งที่เมืองราชเจ้าคือเนี่ยเป็นเมืองที่พระพุทธเจา้าท่านทรงตรัสรู้ทรงตรัสรู้ที่ตําบลอุรุเวลาเสนาณิคมมีเนินทรายที่พุทธคยาทุกวันนี่แหละที่พวกเราไปกราบนั่นแหละตรัสรูต้ตรงนั้นแหละพระองคตรสุที่เมืองราชเจ้าคือเสร็จแล้วก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ น, นู่นเมืองพระณศีนูน่นเสร็จแล้วก็ มีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นหกสิบองค์ก็บอกให้ไปประกาศพระศาสนาก็ที่นั่นเสร็จแล้วพระองค์ก็ย้อนมาที่เดิมนะทนี้เพราะว่าเขตนั้นมันเป็นเขตชดินอยู่ที่เมืองราชครึกถ้าหากไปแย่รังมดแดงตรงนี้แตกแล้วกัโอ้ศา ส, สนาของพระองค์จะไปได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมพพุทธเจ้าทั้งฉลาดยพระองค์ก็ไปทรมานชดินนั่นแหะไปทรมานออรุเวลาเส้นโรุเวลาขัปปะ ไปทรมานอุรุเวลกสสปะด้วยคนด้วยอุบายมายาเป็นร้อยเป็นพันคนอุบายมายาด้วยฤทธิ์ด้วยเดช ด, ด้วยไรสารพัดไม่บังคับแหละเพื่อเป็นการไปกล่อมเกลเอาไฟตะปะทำเนี่ยไปล่นหัวใจให้เริ่มอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอุองออรุเวลกสสปะนี่ก็บูชาไฟมีบริษัทบริวารห้าร้อ ถึงมีน้องชายคนกลางอีกนัทีกษปะมีบริวารเท่าไหร่อนะมีบริวารสองสามรอยบอ่อแล้วก็ขยะกษปะคนหลังมาอีกนึ่นี่ก็เป็นน้องชาอีกมีบริวารเท่าไหร่สองอบ่ อ, บอรวมทั้งหมดอะเป็นหนึ่งพันกับหัวหน้าสามก็เป็นหนึ่งพันกับสามสามองค์พอดีก็ไปก็ไปทรมานอรุรุเวลักสปะันี่แหละ ไปทรมานใช่เป็นเวลาเนิ่นนานกว่าทิฏฐิมณะจะอ่อนลงก็เป็นตังเงิดยเยอะงิดในฤทธิ์ในเดชของพระพุทธเจ้านะแต่ก็มีทิฏฐิมณะอยู่ในใจว่าเออท่านมีอํานาจมากท่านมีอนุภาพมากโอ้พระสมณะโคดมเนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงๆเนาแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์ทิฏฐิมณะส่วนนี้แหละ มันยังคาอยู่ในหัวใจสำคัญมานจะของเป็นพระอรหันต์พระเจ้าทรมานจนจนจนจนเริ่มเริ่มยอมดูไปข้างในเลงยานไปที่ใจเพราะใจเริ่มยอมวันนั้นเป็นวาระสุดท้ายที่จะยอมรับก็คือวันนั้นฝนตกหนักน้าท่วมเต็มไปหมดเป็นเม็ดนั่นนะบริเวณพระพุทธเจ้าอยู่น้ำท่วมเป็นเม็ดนั่น น้ำท่วมเป็นเม็ดนี่พอฝนซาลงฝนหยุดลงก็พาลูกศิษย์ออกเดินไปดูไปดูพระมาหากพระสมณโคโดมเนี่ยไม่ใช่ถูกน้ำพัดพังพ า, าไปหมดแล้วนะก็พาลูกศิษย์ไปแกเอาเรือไปได้ไปไปกระเพมพริเจ้าเดินอย่างกรมขี่ฝุ่นคลุ้งอยูนะอ่น้ำสูงเป็นเม็ด แต่น้ำเนี่ยมันแข็งตัวเป็นกำแพงเองกั้นไม่ให้น้ำไปทะลักไปท่วมบริเวณที่พวนโดนจ้งกลมที่ฝุ่นคลุ้งอยู่ไปเห็นก็ยิ่งอัศจรรย์ใหญ่เลยว่โอ้อัศจรรย์จริงๆเว้ยพระมหาสมณะโคดมนี่ยมีฤทธิ์เดชมีอานุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์แต่ตอนนี้ยอมรับจริงๆแล้วนะจิตใจก็ๆๆอ่อนอ่อนลงแล้ว คุณตเจ้าท่านดูไปเด้ดูตลอดเด้พอเห็นจิตใจมันอ่อนเหมือนอะไรเหมือนเทียนมันถูกหลน่นจนอ่อนทิฏฐิมรณนะลดหมดตัวแล้วเท่นี่ลดหมดตัวแล้วพระอผ์ก็ใส่ปับ๊บเลยเท่นี่อ่าใส่ยาปับ๊บเลยอ่าเขายืนหันหลังให้เด้ยืนหันหลังให้อ่ า, เ, อาเวรละกะักษปะเธอมีแต่ความสําคัญตนว่าเป็นพระรหรันเป็นพระรหรันหลอกหลวงเขา ที่แท้จริงหนทางปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันเธอก็ยังไม่รู้จักโอ้เทงใจดำเธอจงตั้งใจฟังธรรมของเราเธอจะได้เป็นพระอรหันภายในไม่ช้าโอ้ทั้งกี้จุดใจดำแล้วก็ทั้งเปิดทางให้ออกนี้เปิดทางให้ออกก็คือคำบอกคำสอนจากพระโอษฐของพระองค์น่นหลว่าข่าวอ่อนยั่วเลยข้าวพระองค์สำนึกผิดแล้วพระเจ้าข้า นะข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตขอบวชในศาสนาธรรมของพระองค์ด้วยเถิดอผพุติเจ้าท่านฉลาดด้วยเธอมีบริษัทบริวารมากเธอจะต้องไปประกาศให้บริษัทบริวารทราบหมดซะก่อนอถึงจะบวชได้โดยพระกาสปะก็ไปเรียงหมูมาไปกราบพู้ติเจ้าประกาศถ้ำกลางเลยเนะี่ย นะพระองค์เป็นพระศาสดาข้าพระองค์เป็นพระสาวกนะข้าพระองค์ถือพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกยกย่องยกย่องกล่าวยกย่องพระพุทธเจ้าต่อหน้าบริษัทบริบาลบริษัทบริบาลก็ทึงโอ้ใครยิ่งใหญ่กว่าอาจารย์เราอีกเว้ยยิ่งทึ่งใหญ่เลยเนี่ยบริษัทบริบาลของตัวเองในที่สุดพอพูดอ่อนน้อมไม่ลุกสิทธ์บริษัทบริาราอนนอ บ, รบราลนะยอมรับ นับถือพระพุทเจ้าเป็นศาสดาแล้วก็บวชนห้าร้อยนี่บวชก่อนลูกศิษย์ของพรุเวลุกัสสปะนี่บวชก่อนพอหลังจากบวชแล้วก็ทั้งสามคนนี่เขาตั้งอาสมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่น้ำขยาแม่น้ำขยาก็เลยเอาไอบริขารที่เขาสหรับมูชาวไฟเนี่ยไปลอยน้ำโยนไปลอยเต็มน้ำไปอ้า ไอ้คนกลางเห็นบริขารพี่รอยมากโอ้พี่เราคงมีโทษมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นพากันยกขบวนไปไปเขบวชบวชหมดเลยถามทราวเบืเอ่อเถ้องน้องน้องมารีบมารีบบวชเราได้หนทางอันสว่างแล้วพระพุทธเจ้ามาโปรดเราแล้วอพากันบวชโยนบริขารไปหมดหละบริขารลอยไปไอ้คนนาทีกสปะคนกลางขยากสปะคน สุดท้ายนี่ยรับทราบแล้งไปไปนะุกเลยบวชกันทั้งหมดบวชเป็นภิกษุกันหมดแต่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนะพระองค์ให้บวชหมดด้วยความเพื่อมใสัยศรัทธาแล้วก็เป็นนักบวช ด, ด้วยพระองค์ก็เลยให้บวชหมดหลังจากบวชเสร็จแล้วก็ไปที่นูน้นไปที่ต้นน้ําขย า, าถ้าเราไปอินเดียเราจะมีคนบอกให้ทราบว่าเออตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง อ, อนัตตะลกะนณสสูตรไปที่ไปที่ต้นน้ำขยาและพระองค์ทรงแสดงอาทิตตะปริยายสูตรแสดงทำให้จ ก, กับปอตนาสูตรทำให้ปัญจวัคคีพระัญญาโกรทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมแสดงทมเบตเตเล็ตทำให้วัปปัตติยะมหานามะอาศชิ ได้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็แสดงอนัตตะลกะขณะสูตรให้ฟังทั้งห้าองค์ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด อ, น, น, อ น, นันตปัญจวัคคีอนันตคือเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเหตุการณ์ผ่านไปแล้วอันนี้กัส ป, ปะทั้งสามพี่น้องแสดงอาทิตตะปริยายะสูตรเพราะอะไรเพราะฉลินสามพี่น้องนะเขาบูชาไฟบูชาไฟ มูชาไฟหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับไฟแท้ๆแหละมูชาไฟหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับไฟอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงอาทิตตปริยัตสูตรสูตรว่าด้วยไฟสูตรว่าด้วยไฟพระองค์ทรงแสดงอายตนะภายในหเป็นไฟอายตนะภายนอกหกเป็นไฟเวทนาเป็นไฟ สัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นไฟเป็นไฟเพราะราคะเป็นไฟเพราะโทสะเป็นไฟเพราะโมหะราคะกินาโดสักกินาโมหากินาแสดงเห็นว่าไฟไม่ได้ไม่ได้ว่ากองเพลิงร้อนๆว่าเป็นไฟนะแสดงไฟมาที่ที่ตัวขนด้วยทีนี้ตาเนี่ยเป็นไฟอ่ามันเป็นสะพานเชื่อมไปหาเลื รูปเป็นไฟมันเป็นสะพานเชื่อมเข้าไปหากเเลสนั่นแหละเข้าไปหากเเลสแล้วก็รวมอยู่ในนั้นหมดราคะรวมอยู่ลงอยู่ในนั้นโทสะรวมลงอยู่ในนั้นโมหะความรุ่มหลงอันใหญ่หลวงรวมลงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นท่านพระองค์จึงทรงตรัสว่าอะดิตังอะดิตังรากักขินาโดสักขินาโมหกินาราติตังยาติยาชารามรเนนะ เพราะเหตุราคะโทสะโมหะจึงมีพพมีชาติแล้วก็มีชรามีมรณะตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมีพบมีชาติอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนนี่คือไฟไฟในที่นี้คือกิเลสเทียบ ม, มาที่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแล้วก็ที่ใจระเทศไปเทศไปเทศไปทีป่ว่าพระอริยส า, าวกเมื่อได้ยินด้ฝังแล้ว จิตใจก็เบื่อหน่ายในตาเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในวิญญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากตาเบื่อหน่ายในจมูกเบื่อหน่ายในหูเบื่อหน่ายในเสียงเบื่อหน่ายในวิญญาณที่เกิดขึ้นจากหูได้ยินเสียงเกิดขึ้นจากจิตที่หูได้ยินเสียงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายเมื่อคลาย ก็จางเมื่อจางก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วนี่อาทิตตะปริยยสูสุพิแสดงกับพวกชดินสาวพี่น้องพระเทศจบพวกชดินสาวพี่น้องเป็นพระอรหันต์หมดเลยทีนี้เห็นไหมภาษาวกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหนะึ่งพันจากหกสิบองนะพระองค์องเดียวก็ได้เพิ่มอีกนะเป็นพันละหนึ่งพันกับสามองนี่เราพูดถึงการบวช ถึงการบวชนี่เราพูดถึงว่าวิธีบวชวิธีแรกที่พระองค์ทรงบวชให้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมบทาอุปสัมบทาก็คืออุปสมบทนี่แหละอุปสัมบทาคือเข้าไปถือข้อปฏิบัติการอุปสมบทก็คือเข้าไปถือข้อปฏิบัติในเมื่อได้เพศได้เพศเป็นนักบวชแล้วก็ถือถือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติก็คือศีล สองบเจพระสงฆ์สินสยี่สิบเจ็แต่ตอนต้นๆน่ะยังไม่ได้บัญญัติสิลนี้ยังไม่ได้บัญญัติสินนี้บัญญัติตามหลังศินเนี่ยพอเหตุการณ์เกิดขึ้นก็บัญญัติเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ทรงบัญญัติเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ทรงบัญญัติอไม่ได้มาบัญญัติเหมือนอย่างเขายุบสภารหรือไม่ก็เขาปฏิวัติเสร็จแล้วก็มาร่างกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญอะไรไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนี้นะหลังจากพระองค์ ประกาศศาสนาแล้วให้คนทั้งหลายเรื่อมใสศรัท ธ, ธาแล้วใครทําผิดเป็นเหตุตำหนิติเตียนพระสงค์ดยกันตําหนิติเตียนาญาติยอมทายกทายิกาพระหุชนทั้งหลายทั้งปวงตําหนิติเตียนพระองค์ก็ถือมาเป็นข้อบัญญัติไปอ่านดูในนนใ น, ในปฐมอะมปฐมอะมปฐมอะปฐมปฐมเหตุของการบัญญัติ พระวินัยไปอ่านดูเขาเรียกว่าต้นบัญยัติต้นบัญยัติมีนหนังสือนิวัตเหล่านี้ก็มีสี่คบทแต่ละข้อแต่ละข้อโดยเฉพาะของประสงค์อ่า227ข้อนี้มีที่ไปมีที่ม า, ม, ม, ามีต้นบัญญัติใครทําผิดก่อนคนนั้นทําผิดก่อนคนนั้นทําผิดก่อนแต่ว่ามีข้อยกเว้นว่าใครทําผิดก่อนคนนั้นไม่ต้องไม่ต้องอบัตินะไม่ต้องอบัติ คนนั้นไม่ต้องอาบัติไม่ไม่ปรับอาบัติเนื่องจากว่าพระองค์ไม่ได้ปรับไว้ก่อนแต่ถ้าสิขาบทไหนได้ปรับไว้ก่อนแล้วน่ยใครไปต้องที่หลังเข้าคนนั้นต้องอาบัดคนนั้นคนนั้นต้องอาบัตินี่คือการปฏิญาณสิขาบทเสร็จแล้วด้วยเหตุที่พระสาวกไปประกาศพระศาสนาพระองค์ก็บอกอเวลาเขาเริ่อมสายสะตามาก็าพาผู้เริ่อมสายสะตามาหาพระองค์พระองค์ก็เลยให้บวชให้พระสาวกบวชให้เอง วิธีที่พระสาวกบวชให้ตั้งแต่ตอนแรกๆนั้นคือไตราสารณคมไตราสารณคมไตรแปลว่าสามสาระคือการเข้าถึงไตรสรณคมแปลว่าผู้ผู้เข้าถึงที่พึ่งสามติสรณคมมนูประสัมพทาเอหิพิกุอุปสัมพนันอันแรกพรุทธเจ้าประธานเอง ติสรณะคมมนุไอสรณะสระคมนุประสัมพันาบวช้วยสรณะข่มสามสมมติว่าคนนั้นฟังเทศแล้วก็บรรลุธรรมแล้วมีความเรื่อใสสัทธาขอบวชก็ให้พระสาวกเนี่ยบวชให้เองเลยบวชให้เองเลยให้ถึงให้ระลึกให้ถึงพระพุทธเจ้าให้ถึงพระธรรมให้ถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก ให้ถือพระพุะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระ ล, ลึกก็สําสเร็จเป็นเป็นการบวชได้ถือเพศแบบเดียวกันเป็นติสาระคมานูปรสัมพันธ์ถึงสารณคมสามเขาถามว่าสรณคมสามสารณคมสามคืออะไรรู้จักไหมเช่นอย่างเราก่อนรับศีลห้าก็ตามก่อนรับศีลแปก็ตามเขาจะให้สารณคมก่อนสรณคมานู สุรณะคำนังนิธิตังเสุรณะคมสามหมดแค่นี้ต่อไปก็เป็นองค์สินปานาทิปาตาเวอดินาดานาเนี่สินสิน้าสินแปดก็เพิ่มไปอีกอเป็นเป็นก้าข้อของของของสินในสินแปดถึงสินเก้าข้อเท่ากับสินของเหนนเก้าข้อเพียงแต่ เพียงแต่เหลือข้อเดียวคือข้อชาติรูพระราช ต, ตานี่สิ8แปดสินห้าแล้วก็สิน8ถือสินห้าก็ต้องให้สรารณคมก่อนถือสิน8ก็ต้องให้สรารณคมก่อนสารณก็คือพุทธเจ้าพระตามสูงนั่นแหละปฏิยานครั้งที่หนึ่ง ท, ท, ทุติยมัมปิตติยัมนะวรรคแรกวรรคที่หนึ่งวรรคที่สองวรรคที่สา ม, ท, ท, ามทุติยัมปิตัติยัมปิ ทางสรนังขจามิข้พาพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรนังขจามิข้พาพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกสังฆังสรนังขจ า, า, ามิข้พาพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่สมัยนั้นคนฟั ง, ฟงเขาฟังแล้วเข้าใจเขารู้เรื่องว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรสมัยนั้น <ừ> นี่คือบุต ที่สองที่ให้พระสาวกทีนี้อยู่มาอยู่มาก็มีการประทานบวชประทานบวชอีกวิธีหนึ่งหลังจากให้พระสาวกบวชด้วยสราคมสามแล้วเนี่ยพระองค์ยังยังบวชให้เองอยู่นะยังให้บวชเองอยู่ยังเอหิภิกขุยังให้เขาบวชอยู่เอหิภิกขุอยู่คือพระสาวกก็บวชบวชไปใครเริ่มไสก็บวชให้พระสาวกบวชไปใครเริ่มไสกพระองค์ก็พระองค์ก็บวชให้ไปโดย เอหิพิขุปสัมพุทาพราะอยู่มาอยู่มาอยู่มาอยู่มามีเรื่องเกิดขึ้นคือพระราธามีความเรื่มใส่ศรัทธาอยากบวชไม่มีใครบวชให้พระราธะนี่เป็นคนแก่เป็นคนอายุมากอยู่บ้านเนะมียเอย๋ยลูกเอย๋ยไม่ดูแลเพิ่งก็ไปอาศัยข้าวก้นบาทที่เมืองราชคลื่นอาศัยข้าวก้นบาท อาศัยข้าวคนบาทกินอยู่ด้วยข้ามคนบาทด้วยความเพื่อมใสสถายากบวชจนร่างกาเยาาเนี่ยสู้ผอมราธะเนี่ยทีนี้ก็เลยไปชุมสงถามถามทราบถามทราบความว่าราธะพระ ร, ราธะพระรามเนอยากบวชราธะพระรามเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงเมียก็ไม่เลี้ยงลูกก็ไม่เลี้ยงมันก็เลยไปอาศัยวัดใช้กินข้าววัดอยากบวช พระก็ไม่มีใครกล้าบวชให้พระเจ้าเลยทราบว่าราธาพราหอยากบวชเลยประชุมสงฆ์ถามว่าใครระลึกถึงบุญคุณของราธาพราหมได้บ้างอตอนนั้นมีอัครส า, าวกแล้วนะมีพระสารีบุตรมีพระโมคคัลลานะแล้วก็เลยมีพระสารีบุตรเนี่ยรับว่าข้าพระองค์พระเจ้าค่ะระลึกได้ว่าราธาพราหมเคยใส่เคยใส่ บินทบาตให้ทัพพีหนึง่งอ่าพระสารีบุตรรา บ, บอกโอ้รูติเจ้าท่านให้ราลึกถึงบุญคุณของราทัใคร ล, ลึกถึงบุญคุณของราทะพราม์ได้บ้างสารีบุตรเออราทัพราหมเคยใส่ข้าวให้ทัพพีหนึ่สมัยเขาอยู่บ้านเขาก็เลยกราบทูลรุติเจ้าพระองค์เออเธอเป็นผู้พร้อมด้วยความกตัญญูรู้คุณชมเชยพระสารีบุตรเลยบอกพระสารีบุตรเนี่ย ในความกตัญญูรู้คุณเมราฐพราหมณ์ใส่บาตหนึ่งสกพีกระลึกได้ก็เลยให้พระสาริบุตรเป็นพระอุปัชฌา ย, ยะนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มอบให้เป็นอำนาจสง์ในการบวชนี่บวช ด, ด้วยอำนาจสงเรียกว่ายัตติจตุถะกรรมะอุปสมพทาอุปสมบท ด, ด้วยอำนาจสงด้วยติสรณาคามนูนี้พระสงค์ พระสงฆ์สาวกคนเดียวไปบวชให้แต่อันนี้บวชได้อํานาจส ง, ตงต์ตั้งแต่ห้ารูปตั้งแต่ห้ารูปเป็นต้นไปบวชได้ในปัจจันตประเทศในมัชชีมประเทศตั้งแต่สิบรูปเป็นต้นไปให้นั่งเป็นคณะสงฆ์บวชได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ไม่บวชเองเลยทีนี้ไม่บวชเองให้อํานาจสง์บวชคุรบุตร อยากบวชใครอยากบวชก็ต้องเข้าพิธีสงฆ์เข้าให้อํานาจสงฆ์ให้สงฆ์มีการตั้งยัตติมีการสวดประกาศตั้งยัตติหนึ่งรอบและมีการสวดอนุสาวรนาอีกสามรอบรวมเป็นยัตติจตุตัถกรรมะอุปสัมปทากรรมวาจารวมเป็นที่สี่ทั้งยัตติกรรมวาจารวมเป็นทั้งสี่สี่ทั้งยัตตินี่คือวิธีการบวชนะ วิธีการบวชอย่างที่กล่าวแล้วนั่นแหละการบวชคือการถือเพศแต่สมัยพุทธกาลท่านบวชท่าเริ่มใส่ศรัทธาจริงๆถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เก็ถึงจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทําเป็นพิธีเหมือนอย่างพวกเราทุกวันยังไม่บวชหาวันสึกก่อนแล้วบวหาวันบวชเฉดวันไม่่วได้เลยสมัยนั้นบวชเริ่มใ ส, ส่ศรัทธาบวชบวช หวชีวิตเลยวัวศึกษาทรรมปฏิบัติทรรมจริงๆได้มักได้ผลจริงๆแล้วก็ใครเกิดทันในสมัยนั้นก็เกิดในกาลสมบัติคาว่าในกาลสมบัติก็คือรูเจ้ายังทรงกระชันอยู่ใครเกิดสมัยนั้นคนนั้นเกิดในกาลสมบัติเป็นการเวลาที่ถึงพร้อมคาว่าสมบัติสมบัติแปล ว, ว่าความถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยบุญนะ ถึงพร้อมด้วยผู้ทิ่เจ้าหรือถึงพร้อมด้วยพระธรรมถึงพร้อมด้วยพระสงฆ์ก็ในการละสมบัติก็เลยวางการบวชในสูขก็เลยยุติลงที่การบวช ด, ด้วยอำนาจสงมาจนทุกวันนี้อมาจนทุกวันนี้เสร็จ แ, แล้วการบวช ด, ด้วยติสารคามนูปสัมปานนี้กใใ็ให้เอาไปใช้บวชเนนรให้เอาไปใช้บวชเนน ไม่ใช่บวชเนนแทนแต่ถ้าบวชพระแล้วเนี่ยจะต้องมีพระอุปชัยยะจะต้องมีผู้นำเข้าสงฆ์ mm. เขาเรียกว่าผู้นําเข้า mm. นําอุปสัมปทาเปิกะเข้าผู้ที่จะบวชเนี่ยเขาเรียกว่าอุปสัมปทเปิก ะ, ะพระอุปชยปัยยะแปลว่าผู้นําคนนี้แหละเข้าหมู่เป็นผู้ไปสารภาพไปรับไปรับรองในท้ำกลางสงฆ์ ประสงค์ท่านก็นจะสวดถามถามถามถามถามถามเสร็จ แ, แล้วก็ตั้งชื่อแล้วสวดยกชื่อขึ้นสวดนยกชื่ออุปชัยยะขึ้นสวดอุปชัยยะเป็นผู้นํำข้าหมูมีการสวดกรรมวาจาสวดออกชื่อพระอุปชัยยะกรรมวาจาออกชื่อผู้บวชนะผู้บวชเป็นอุปสมบทาปเปกเขาเลยจะบวชเป็นพระน เป็นอุปสมบทาเปคะพระอุปัชัยยะอุปชัยยะแปลว่าผู้นำเข้าโมเ่เป็นผู้นำเข้าโม่อันนี้คือธรรมเนียมการบวชนะธรรมเนียมการบวชนี่คือศาสนาของพระพุทธเจ้าต้นต่อการบวชมันเป็นมาอย่างนี้การบวชอย่างที่พูดนั่นแหละคือการถือเพศหลังจากบวชจบแล้วบวชได้แล้วเนี่ยมันได้เพศได้เพศมาเป็นเพศนักบวชถือศีล ของนักบวชถือศีลของผระสงค์สาวกแต่คุณธรรมในใจยังไม่ได้บรรลุธรรมก็ต้องปฏิบัติให้ได้มรกได้ผลปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงที่สุดก็ปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดแต่อาศัยว่าเข้าถึงการบวชเพื่อที่จะเดินไปให้ถึงที่สุดว่า ง, งั้นเถอะเพื่อที่จะเดินไปให้ถึงที่สุดมีความสำคัญมาก สำคัญระดับชีวิตจิตใจจริงๆเมื่อแต่พระเจ้าแผ่นดินพระราชาพระมหากษัตริย์เศรษฐีก็ดุลพีทั้งหลายทั้งปวงในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่เห็นความสําคัญในฐานะของตัวเองไม่เห็นความสําคัญในฐานะของความเป็นกษัตริย์มหากษัตริย์ไม่เห็นความสําคัญในความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพอฟังธรรมจากพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วขอบวชทิ้งหมด ทิ้งสมบัติพระสถานทิ้งยศทิ้งศักดิ์ทิ้งเกียรติทิ้งยศทิ้งศักดิ์ทิ้งตำแหน่งหน้าที่ทิ้งหมดละเข้าไปบวชใ้บรรลุธรรมอยู่คนเดียวสงบเยือกเย็นเพราะดับสิ่งที่พายให้ใจเกิดความเราร้อนในภายในได้เน่และวิธีปฏิบัตินี้ก็พวกเราก็มีโชคดี αι, พวกเรากเกิดทันทันศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มีความเรื่องใส่ศรัทธาแล้วก็ออบบวชพอหลังจากบวชเสร็จแล้วเราก็จะต้องตั้งใจศึกษาธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจรักษาศรรีลตั้งใจปฏิบัติธ ร, รรมเราตั้งใจรักษาศรรีลได้มากเท่าไหร่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมได้รับความสงบจิตใจได้รับความสงบเป็นสมาธิได้มากเท่าไร มีปัญญามีความรอบรู้เพื่อทำลายความลุ่มหลงในกองสังขารได้มากเท่าไรบุญก็จะเกิดขึ้นตามมาและเพียงแต่บวชเสร็จเฉยๆยังไม่ได้บุญคือความดีที่จะเพิ่ ม, พ, มพูนทวีคูณขึ้นในใจยังไม่มีในเพศเฉยๆในเพศเฉยๆเพราะฉะนั้นบวชมาแล้วไม่ใช่สำเร็จแค่บวชเรายังไม่มีศีลศีลเรายังไม่บริสุทธิ์ก็ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ยังไม่ได้สมาธิเราตั้งใจเจริญสมาธิให้จิตได้รับความสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสแหละกิเลสมันพาจิตของเราวุ่นวุ่นวายดูที่เวลามันวุ่นในใจเป็นไงจิตใจเดือดดาลเควงควางเรีรีขวางขวางขวางขวางหัวใจของเรากนะิเลสมันพารีรีขวางขวางคิดหน้าคิดหลังคิดนู้นยังไม่จบอันนี้แสกเข้ามาคิดทุกอันนั้นโอ้ทุกอันนี้ทับถมมากหนักกว่านั้นอีก ไปคิโอ้ย น, นั้นทุกมากกว่านี้เครียดบางคนคิดไม่หยุดยับยังประสาทไม่อยู่เป็นเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นโรคประสาทเสียหายไปถึงมันสมองจากความลึกความคิดนามธรรมเสียหายไปถึงรูปธรรมกลายเป็นกลายเป็นประสาทกลายเป็นโรคประสาทนี่ความเป็นไปมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาจากสิ่ง ที่มันพาจิตเราดิ้นรนกิเลสอ่นนะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจตั้งใจรักษาศินให้เป็นอธิศิลรักษาเพิ่มพื้ น, เ พ, พนเพิ่มพื้นรักษาจนแม้แต่กเบียดเดียวก็ไม่ยอมก้าวล่วงเกี่ยวกับเรื่องศินจิตยังไม่มีความสงบจิตไม่มีสม า, าธิก็พยายามบริกรรมอย่างนั้นพยายามบังคับจิตยอยู่นั่นแหละ บ, บังคับเอาสติ เอาสมาัญญาเอาเรี่ยวแรงของเราเท่าๆดีที่มีอยู่เนี่ยบังคับให้มันสงบอยู่นั่นแหะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าปุกปอกใจเจ้ามัดอยู่นั่นแหละวิธีนี้แหละเป็นวิธีที่เราจะได้วิธีอื่นไม่ได้ดอกเ อ, อือยเ อ, อืยเล่นเฉยไปเล่นเฉยกับอันโน้นเล่นเฉยกับอันนี้ไปอมืมันไม่ได้อืดอด อ, อาดอาด ยืดญาติไม่ได้เคยย้อนมาดูใจของตัวเองวันๆไม่ได้มาสํารวมระมัดระวังกิเลสเา ว, วิ่งวันทั้งวันเมื่ right อไหรเราจะถึงอธิจิตอธิจิตก็คือความสงบมีสมาธิเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานแด้อธิจิตแล้วก็จะต้องเจริญ <c oughs> อธิปัญญาในปัญญายิ่งๆขึ้นไปปัญญาก็คือมาดูมาพิจารณาเรื่องจริงพิจารณาของจริง ของจริงที่เห็นด้วยตาคือพิจารณารูปของเราน่ยพิจารณากองทุกข์ที่เราได้ใจมันครองกายนี้อยู่มันทุกอย่างไงพิจารณาของจริงพิจารณาอารมณ์ภายในใจก็เป็นของจริงอย่างหนึง่งพิจารณาตาเห็นรูปนี่ก็พิจารณาของจริงดูไปที่ของจริงพิจารณาเสียงก็ดูไปที่ของจริงเสียงจริงเป็นงันเป็นงันเป็นงั้น ทีนี้เราถ้าเราไม่พิจารณาของจริงแล้วมันเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้ไม่ได้พิจารณาของจริงพอจิตเราย่อนใส่ปับปป๊บของปลอมมันก็นมาแทรกพอจิตเราหย่อนใส่ปั๊บของปลอมมันก็มาแทรกสมติอย่างเรานึกถึงรูปปั๊บเนี่ยการนึกถึงรูปนั่นแหละเป็นสัญญาที่เรียกว่ารูปประสัญญามันเป็นขัน์อย่างหนึ่งที่มีอยู่ในจิตของเราเนี่ย พอหลับหลับตาปั๊บอ๋อมันมองเห็นรูปรูปมันเ้าเรียกว่ามโนภาพมโนภาพสัญญาเนี่ยมันสามารถหมายทั้งสิ่งที่มันเคยเห็นและมันหมายได้ทั้งสิ่งที่มันไม่เคยเห็นมันไม่เคยเห็นมันก็หมายได้แต่ถ้ากิเลสมันแทรกมันพาสัญญามันพาหมายแล้วกิเลสมันพาแทรกมาทางสัญญาสัญญาเป็นเครื่องมือกิเลสสังขารวิญญาณ เป็นเครื่องมือกิเลสเวทนาเนี่ยเป็นเครื่องมือกิเลสถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเรามัดระวังเลยมันแทรกเข้ามาที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณมันแทรกเข้ามาทางสัญญาสัญญาที่เป็นเวทนาก็มีนึกถึงความสุขที่เคยมีนึกถึงนึกถึงความทุกข์ที่เคยได้รับมันก็เป็นสัญญาสังขารนก็คือความนึกนึกดีใจนึกเสียใจอ รวมแล้วก็คือนึกดีกับนึกไม่ดีนึกดีก็เป็นบุญนึกไม่ดีก็เป็นบาปปรุงจิตมันพรุงนึกนึกนึกนึกคิดธรรมดาเราไม่เคยย่อนดูว่าเอ๊สังขารนะี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเวทนานะมันเกิดขึ้นได้ยังไงสัญญาภายในใจมันมีลักษณะยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไม่เคยย้อนดูเรื่องจริงตัวจริงของมันเพราะเราย่อนใส่ภาบสัญญาที่เป็นจอมปลอม กิเลสมันกระส่วมร้อยเข้ามาสังขารปรุงปั๊บสัญญากระส่วมรอยเข้าม า, า, ญญากิเลสมันส่วมรอยเข้าม า, อ, มม อ, า, มาอะไรทีตกไปในหัวใจนี่มันเป็นเรื่องของสัญญาอารมณ์ทั้งนั้น อ, อย่าลืมว่าสัญญาจําได้หมายรู้สิ่งที่เคยผ่านหูผ่านตาสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันสามารถวาดคาดเป็นมโนภาพเป็นสัญญาได้ ถ้ากิเลมันหลอกมาที่ใจของเรามันเอาสัญญามันมันสวมรอยเข้ามาทางสัญญาเดี๋ยวนี้เราได้รับความทุกข์ได้รับทุกข์ได้รับโทษจากกิเลสมันสวมรอยมาทางสัญญาเนี่ยวันทั้งวันถ้าเราย้อนไปดูเราจะเห็นสัญญามันหลอกมาทางหัวใจของเราเนี่ยพิจารณาสิ่งเหล่านี้คือพิจารณาเรื่องจริงพิจารณาของจริงถ้าเราไม่ไม่ตั้งใจพิจารณาเรื่องจริงของจริงมันก็ไม่เป็นอธิปัญญา เห็นแต่ปัญญาอันจอมปลอมของกิเลสแบบนี้ท่านภาษาธรรมะท่านมเรียกอธิปัญญาท่านเรียกปัญญาพื้นๆธรรมดาปัญญาดูแล้วก็ น, นึกก็เหมือนอย่างความรู้วิทยาการทั้งหลายทั้งปวงที่เรามารอบรู้มาเรียนเรียนกันดูแล้วก็คาดคิดเดาไปตามเรื่องเป็นกิเลสบ้างจริงบ้างหลอกบ้างจริงบ้างหลอกบ้างอยู่ในนั้นะหลอกไปหลอกมาอยู่ในนั้ น, น ในตัวบทบัญยัติอยู่นั้นนะรอไปรอกมาระบบนั้นระเบียนนตั้งมันก็ลอกไปรอมาอยู่ในนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องจริงไม่ได้พูดถึงของจริงแต่ถ้าหากเราพิจารณาร่างกายของเรานะคือพิจารณาเรื่องจริงของจริงพิจารณาเวทนาที่มีอยู่ภายในจิตพิจารณาสัญญาที่มีอยู่ภายในจิตตัวมันเป็นยังไงเวทนาตัวมันเป็นยังไงสัญญา ย้อนย้อนมาดูโอ้ยังนี้สัญญาโอ้ยางนี้สัญญายังนี้สัญญาเราจะได้รู้ว่าโอ้นี่สัญญาสัญญามันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของจิตมันเป็นกิริยาอาการอย่างหนึ่งของจิตแต่ถ้าหากใช้สัญญาปั๊บเกิดราคะเนี่ยกิเลสแทรกเข้ามาแล้วใช้สัญญาปั๊บเกิดโทสะเกิดโมหกิเลสแทรกเข้ามาแล้วแต่ถ้าเราพิจารณาแล้ว เกิดความเบื่อหน่ายคลายจางเอาสัญญาเลยจิ้มสัญญาพระเจ้าท่านจึงสอนให้จิ้มสัญญาเอาสัญญาจิ้มสัญญาเช่นอย่างรูปก็ตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เที่ยงท่านให้กําหนดหมายในขันทั้งห้าในคาไม่เที่ยงกําหนดหมายว่าไม่เที่ยง ถ้าเรียกว่าอันนี้จะสัญญาให้คาดให้เดาให้หมายหมายว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยการคาดแบบแบบนี้เป็นการยืมมือกิเลสต่อยกิเลสยืมมือกิเลสต่อยกิเลสยืมแนวทางของกิเลสที่มันแทรกมาเนี่ยต่อยต่อยกิเลสตอบตอบตอบโต้กิเลสออกสัญญาจิ้มสัญญาร่างกายเราเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ได้ไม่คงที่ท่านให้พิจารณา เป็นทุกขสัญญาอ๋ออย่างนี้เป็นทุกขสัญญาเป็นอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอ๋ออย่างนี้เป็น อ, อนัตตะสัญญาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันยังไม่แจ่มแจ้งพระเนจะกําหนดให้เป็นอนัตตะสัญญาแล้วก็พิจารณาพิจารณาเทียบไปพิจารณาเทียบมาพิจารณาไล่ไปพิจารณาไล่มาอย่างที่เคยอธิบายฟังว่าอัตตาอัตตาเราสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้พระพุทธเจ้าททรงตรัส ท่านตรับตามความมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงของสภาวะธรรมแต่มันไม่ใช่ใครไม่ใช่ของของใครมันมีอยู่ตามภาวะของมันเช่นย่าร่างกายมันมีอยู่ตามภาวะความมีความเป็นของมันต้นต่อการเกิดของมันเกิดในท้องแม่ใช่ไหมพูดอยู่เรื่อยอาศัยสังขารพ่อสังขารแม่มาประกอบกันมาปรุงกันเกิดเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ แต่เราสำคัญถือเอาว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรานะสำคัญว่ามันเที่ยงสำคัญว่ามันคงที่สำคัญว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงสำคัญว่ามันคงที่สำคัญว่ามันเปลี่ยนแปลงสำคัญว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนพุทธเจ้าทรงทรงตรวัตเธอเอาอะไรมาเป็นตัวเป็นตนเธอบังคับบัญชามันได้ไหมไม่ให้มันเจ็บได้ไหมไม่ให้มันแก่ได้ไหมไม่ให้มันตายได้ไหม ไม่มีใครบังคับบัญชาได้สักอย่างสักคนเดียวคนในโลกนี้ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆด้วยเหตุที่บังคับบัญชาไม่ได้นี้แหละพระองค์จึงทรงตรัสว่าอะนัตตาอนัตานตาไม่ใช่ตนถ้าตนของเธอเธอจะต้องบังคับบัญชาได้ด้วยเหตุที่เธอบังคับบัญชาไม่ได้นั่นแหละคือไม่ใช่ตนเพื่อให้เรา ถอดถอนจากการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเนี่ยเพื่อจะได้มาดูให้เห็นว่าเป็นของจริงโอ้กายมันเป็นของจริงอย่างนี้มันมีส่วนจริงอยู่อย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจริงอย่างนี้จริงคือเรามาเรียนเรื่องจริงศึกษาของจริงปฏิบัติของจริงปฏิบัติเพื่อให้ได้เป็นอธิศินอธิ จ, จิตนะคือความสงบยิ่งอธิสินก็คือศินยิ่ง อธิจิตก็คือจิตยิ่งยิ่งด้วยความสงบอธิปัญญาคือปัญญายิ่งยิ่งด้วยปัญญาพิจารณาปัญญาที่จะยิ่งได้อ น, นี้เป็นปัญญาที่ทําให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในกองสังขารเรียกว่าอธิปัญญาพอเราได้พอเราได้เพศแล้วดาวเราก็มาดําเนินปฏิปทา ดำได้ดำเนินได้มากได้น้อยเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ม, ม, มากน้อยตามนั้นแหละอยู่ไปซื้อๆ อ, อยู่ไปวันๆไม่ได้ทํามักทํำผลอะไรการตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญสมาธิตั้งใจเจริญปัญญานี่ท่านเรียกว่ามักทําทําไมทําเพื่อให้เกิดผลที่ท่านเรียกว่ามักผลมักผลท่านให้เจริญมักเจริญมักเพราะว่า จเจริญมรรคก็คือการทําเหตุเมื่อเราไม่ได้ทําเหตุเลยที่ไหนผลที่ไหนจะพึงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุเราต้องทํามรรคซะก่อนผลทั้งหลายถึงจะเกิดขึ้นพอเราได้เพศแล้วเราก็ได้ข้อปฏิบัติได้ข้อปฏิบัติแล้วเราก็ตั้งใจทําอย่างยิ่งยวดพวกเราได้ยินได้ฟังสํานึกรู้สึกรับผิดชอบด้วยตัวของตัวเราเองแล้วก็ต่างคนต่างตั้งอกตั้ ง, ง, งใจทํา เพอให้เกิดมาให้เกิดผลมากน้อยในในใจของเราในสติของเราในปัญญาของเราในจิตใจของเราพอถึงตอนนั้นนะบุญก็จะเกิดขึ้นในใจของเราเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาบุญส่งเต็มที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในอันตภาพนี้เราก็ตามพระพุทธเจ้าพระสงฆสาวพระอริยาสาวกไปนิพพานนะตามหลักท่านไป เราตั้งใจเดินตั้งใจปฏิบัติก็หมายความเราพยายามก้มหน้าก้มตาเดินไปตามท่านโอ้ท่านเดินมาท่านทุกข์ยากอย่างนี้ท่านลําบากอย่างนี้เรารู้ว่าเราเดินมาทุกอย่างไงยากอย่งไรลำบากย่งไงโอ้ท่านที่ท่านเดินไปก่อนท่านก็ไม่ได้ล้างมือเปิบด้วยซ้ําไปอย่างพุทธเจ้าท่านไม่ได้ล้างมือเปิบอนเขาว่าล้างมือเปิ้อก็คือใช้สอยของขอ ง, ของสำเร็จรูป มือนอย่างพระสงฆ์สาวกเนี่ยเป็นของเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ที่ใช้สอยของสําเร็จรูปพระพุทธเจ้าท่านปรุงแต่งข้อปฏิบัติให้หมดแล้วเพียงแต่มาน้อมนำเอามากํากับในหัวใจแล้วก็ตั้งใจศึกษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดมาเกิดผลที่เราเรียกว่าเปิบอ่าหยิบเข้าปากหยิบเข้าปากหยิบเข้าปากเรียว่าเปิบเปิดเขปากยิบเข้าปากหยิบเข้าปากหยิบเข้าปาก เราได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปสําเนียกเอาไปพินิจพิจารณาว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆนะการถือบวชนะมันเป็นเรื่องที่สุดของที่สุดโลกเนี่ยที่สุดของโลกก็คือเนี่ยการถือปฏิบัติ น, นี้นะดูแต่พระราชาพระมหากษาัตริย์เศรษฐีกรดุมพีเศรษฐีมหาเสษฐีสี่เหล่านั้นไม่มีความสําคัญนะพอเข้ามาถึงอันนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นทิ้งทั้งหมดอ่า เมือนพระมหากัะปินพระมหากัะปินเป็นมหาพระมหากษัตริย์ทโห่ยากลําบากอยู่นั้นแหละต้องปกครองต้องดูแลต้องรักษาภายให้ฝ่ายประชาชนทุกยากลาบากได้ยินได้ฟังพออระพุทธเจ้าบัดขึ้นโอ้ยเลื่อมใสศรทัทธาทิ้งสมบัติพักสถานหมดเลยพาบริษัทบริวารออกบวชตามพระองคนะ์บวชออกบวชบวชเพราะบวชได้ไมา่นาน บวชได้ไมมยนานได้บรรลุธรรมเดินอุทานเลยท่นี่สุขน้อสุขน้อสุขนอสุขนอคนทั้งหลายเห็นไม่รู้ว่าท่านเข้าถึงธรรมไม่รู้ว่าท่านเข้าถึงธรรมที่ละเอียดก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระมหากรรปินเนี่ยคงจะคิดถึงสมบัติที่เคยเป็นพระมหากษัตย์ตั้งแต่สมัยเป็นพระมหากษัตย์แล้ว เห็นเดินบนหนสุกนอสุกหน อ, นอคงจะเคยคงจะคิดถึงความสุขเบื้องหลังมักงฟ้องผู้หลิจา้าพระองค์ก็เลยถามทํรกลางเพากลางสงฆ์พระมหาก็ปินก็บอกโอ้เมือ่อก่อนข้าพระองค์น่ะมีคนมีคนอารักขาห่อมล้อมเต็มหน้าเต็มลังก็ทุกนอนก็ทุกอยู่ก็ทุ ก, ก, ทกอะไรก็ทุกไปหมด เมื่อข้าพรองมาบวดแล้วได้อ่นได้ทําในหัวใจแล้วอยู่คนเดียวไม่ต้องมีใครมาปกมาเป้องมาคุ้มมาครองอะไรมันสุกเหลือเกินสุกเหลือเกินน่ะเพราะฉะนั้นจึงอุทานออกมาสุกนอสุกนอสุกน้อสุกน้อนี่ประวัติครูบาอาจารย์ประวัติพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกที่ท่านมีมาแล้วอเราได้ยินได้ฟังไปนึกถึงเพศของตัวเองแล้วก็ตั้งใจ ศึกษาตั้งใจปฏิบัติยาลืมตัว่าจบาพวกนี้ก็เตรียมกันมาช่วยดูกันนะบวชอ่าไปเริ่ม <c oughs>